ตจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเฮือกสุดท้ายของศาสนาโดยพ่อท่านสมณพุทธิรักเมื่อวันที่17ตุลาคม2534ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตาฟังได้นะบัตรนี้ สังคมมนุษย์ชาติโดยเฉพาะคุณค่าคุณธรรมสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นสุขเป็นของดีที่มนุษย์จะพึงมีพึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ควรจะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นสุขเป็นสิ่งดีสิ่งงามอะไรนี่แหละและมันก็ไม่ได้เพราะกิเลสเพราะอาวิชชามันก็เลยเกิดไม่ได้กันขึ้นมาตกต่ำไปเรื่อย จนกระทั่งเดี๋ยวนี้สังคมมนุษย์ชาติในโลกโลกของเราที่อยู่นี่แหละมนุษย์ชาติในโลกทุกวันนี้เสือเส่อมลงเสื่อมลงความทุกข์ร้อนมากขึ้นมากขึ้นเพราะกิเลสเพราะความโลภความกโกรธมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ทําให้สังคมของเราทุกข์ร้อนซับซ้อนมีความเฉลียวฉลาดแต่ความเฉลียวฉลาดเหล่านั้นมันซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนคนรู้ไม่ได้ไง่ายๆ ที่ี้ตมาท้าวความว่าถ้าเผื่อว่าเราเชื่อนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะมีอายุถึง 5,000 ปีถ้าเราเชื่อนะเชื่อว่าศาสนาพุทธจะอายุถึง 5,000 ปีตอนนี้มันก็เพิ่ง 2,500 กว่าปีมันจะมีอายุไปอีกตั้งสองพันกว่าปีเพราะอีกตั้งสองพันกว่าปีนี้ถ้าเผื่อว่าเนื้อหาของศาสนามันมีอยู่แค่ที่มันมีอยู่ทุกวันเนี้ยพุทธเนี่ย มีอยู่อางของเทรสมาคมทำเนี่นว่างกันเถอะนะเนื้อหามันมีแค่เนี่ยสาระถะอะไรก็แค่พุทธแค่เทรสมาคมนะเชื่อหรอว่าศาสนาพุทธจะถึงอีกสองพันกว่าปีเชื่อมันไม่ถึงหรอกถ้าอย่างนั้นอนะ่ะมันอีกไม่กี่ปีอีกไม่กี่ร้อยปีไม่ถึงพันปีละมั้ง ก็เหลือแต่ทุกวันนี้มันก็แทบแทบจะเหลือแต่เปลือกอยู่แล้วอีน้อยต่อไปเปลือกก็ไม่เหลือเหลือแต่ของเน่าเน่าพุทธเน่าเน่าพุทธตรงกันข้ามทุกวันนี้มันก็แทบจะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงของความหมายแท้ๆของพุทธอยู่แล้วคือโลกุตระสิ่งที่เหนือโลกียะสิ่งที่ไม่ได้เป็นธาตุโลกียะเป็นความเสียสละเป็นคุณค่าจริงๆอย่างที่เราเน้นกันเหลือเกินน่ในชาวอโศเราเน้นเหลือเกินเนี่ย แล้วเราก็พิสูจน์กันได้มาแม้มันยังไม่เด่นชัดยังไม่สวยงามยังไม่เต็มรูปยังไม่ผ่องพันยังไม่วิวิศมาลาก็ตามแม้จะยังไม่งามวิวิศมาลาก็ตามมันก็ได้เป็นรูปเป็นร่างมาบ้างแล้วซึ่งเราก็พอจะไม่ใช่ว่าเราโมเมแต่เราก็พอมองกันออกว่าพุทธของพวกเราเนี่ยเป็นพุทธแห่งความเสียสละแห่งความรู้คุณค่าของบุญ รู้คุณค่าของคุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่เราจะได้ให้เกื้อกูลแก่ผู้อื่นเป็นการเสียสละจริงๆเป็นการสร้างสรรค์ที่ไม่ได้ไปเอาเปรียบเอาไร้ไม่ได้ไปเป็ น, ปนความโลภบําเรอตนเป็นการได้ให้ได้บริจาคได้เกื้อกูลได้ช่วยเหลื อ, อเราได้พิสูจน์ความจริงกันมา ที่นี่อาตมาก็ได้ย้ำแย้มพรายไปบ้างแล้วทั้งๆ้ที่ก็คิดว่าไม่อยากจะพูดมากหรอกนะแต่ว่าก็พูดต่อให้ฟังบ้างพูดแย้มให้ฟังบ้างเพื่อที่จะได้เป็นข้อสังเกตเราเราก็ได้เกิดอะไรที่เป็นหลักเป็นความจริงอะไรที่จริงอาตมาไม่ได้เป็นผู้พยากรณ์ที่พูดในพูดเหตุผลนะพูดเหตุผลคือคุณฟังพยายามที่จะหยิบมากระจายความให้ฟังมันมีเหตุผลของมันยังไงนะเหตุผลของมันที่บอกว่าถ้าศาสนาพุทธจะถึง 5,000 ปีแล้วอีกตั้ง 2,000 กว่าปีนี่มันต้องมีเนื้อหาสาระมากกว่า น, นั้นแม้เนื้อหาสาระเท่าที่อโศรามีอยู่ขณะนี้นี่นะเอาหันเข้ามาที่เราเราเชื่อว่าเรามีเนื้อหาของโลกุตตรธรรมอยู่ในอโศเราเนี่ยมีอยู่ขนาดนี้เนี่ยแค่นี้เนี่ยน้ำยาแค่นี้นะอาตมาว่าก็ไม่ถึง 2,000 กว่าปีอีกน้ำยาแค่นี้ไม่ถึงหรอกยังไม่เข้มข้นพอ ยังไม่เข้มข้นพอที่จะต่อสู้กระแสของโลกียะเนี่ยลาบยศสนเสริญโลกียสุขอบายมุกเร็วๆได้ร้ายเนี่ยมันมีกระแสรกระแสที่มันจะเจือจางที่มันจะดึงฉุดมันจะดึงจะฉุดจะลากเราลงไปต่ําไปหาอย่างเขาอ่ะมันมีจริงเพราะน้ํายาแค่เนี้ยเนื้อหาแค่เนี้ย โอ้จะไปครณามืออะไรครับโลกิยะมันเอาหนดหน่อยเดียวก็จะจึงดึงดูดตรงไปแล้วเพรา ะ, ะนั้นความมั่นคงเหนียวแน่นแห่งศรัท ธ, ธาและปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องมีตัวมั่นคงเหนียวแน่นจริงๆมันเที่ยงแทแ้ที่เราเรียกใช้ศัพท์ว่านิยตารืนแม้แต่นิจังเราก็จะใช้ก็ตามเข้าใจกันให้ถูกกันแล้วกันเที่ยงแท้ได้นะนิยตารืนนิจังมันมั่นคง มันมั่งคงมันไม่มีอะไรมาละลายได้ไง่ายๆเหนียวแน่นถ้าไม่มีความเหนียวแน่นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันยืนหยัดกันจริงๆว่านี่แหละคือสัจจะที่ประเสริฐแท้นี่คือความจริงที่ดีแท้อธิบายก็ไม่ออกหลักฐานก็ไม่ไ ม, ไม่มากพอพอจะดูรูปดูร่างออก กระจายขยา ย, ย, ายเพิ่มเติมก็ไม่ได้คนก็นับวันจะหมดความเชื่อถือแต่ถ้าเพราะว่าเราอาโศกเนี่ยมีรูปร่างของความจริงโลกุตรธรรมเนี่ยเนื้อโลกียะไม่ได้เป็นาธาตุลาบยศสันเสริญไม่ได้ลหลงไหลในโลกียสุขจะเป็นโลกียสุขในเรื่องอบายมุกโลกียสุขในเรื่องกามรมกามคุณหรือว่าโลกียสุขในเรื่องโลกธรรมได้ลาบมาก็สุขได้ยศมาก็สุข ได้สันเสริมมาก็เป็นสุขอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ในพบในภวะตัณหาในสมใจแล้วก็ยังหลงหลายได้ปลื้มอยู่ก็สุขแม้แต่จะเป็นวิภาวะตัณหาคุณค่าได้ทำดีแล้วก็ระเริงใจมีความสุขเพราะอะไรทาดียังมีตัวสุขทุกทุกสุขอะไรอยู่เนี่ยเสพบเรออยู่เนี่ยสมใจมันก็ยังเป็นาธาตุอยู่ตามลำดับ แม้ที่สุดขณะวิภาวะตัณหาก็ยังเ ป, เป็นความยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ทีเดียวท่าน ท, ที่ทําความดีแล้วก็รดีใจเพราะได้รับความดีไดส้สมประสงค์สมปรารถนาในความดีนั้นฟูใจมีใจฟูมีรสอร่อยมีอัศธะมันก็ยังไม่ใช่ความว่างยังไม่ใช่ความจบสมบูรณ์ยังไม่ใช่อนัตตานี่ก็เป็นเรื่องสูงอ่าเป็นเรื่องของ ฐานะพระอนาคามีขึ้นไปจะพึงกระทําปลดปล่อยตัวตนเรียกว่าละชั่วประพฤติดีให้ได้จริงยังกุศลในถึงพร้อมจริงๆแล้วก็ไม่ลหลงไหลในกุศลสุดท้ายก็เป็นล้างกุศลไม่ทําชั่วแล้วจริงๆทําแต่ดีรู้จักความดีมีโลกุตมีโลกวิทูมีพระหูสูตรรู้จักความดีแล้วก็ทำแต่ดีดีดีชั่วไม่แตะไม่ต้องไม่ละเมิดนะไม่มีบาปสุดทุดจริตมีแต่สุจริตมีแต่กุศล ยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ได้ตลอดเวลาแล้วเราก็มาทําใจให้บริสุทธิ์ตรตงที่ไม่ยึดติดในกุศลว่าเป็นเราเป็นของเราทําใจบริสุทธิ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ค่อยมาทําเถอะถึงขั้นตอนวาระนั้นค่อยเป็นเป็นลำดับลําดับให้ดีในาศาสนาพูธถึงขนาดนั้นเหล่านั้นมาพูดถึงว่าพวกเรานี่ยแตเผื่อว่าเราไม่ภาคเพียนไม่ทําอะไรให้ได้เป็นเนื้อหาสาระที่แน่นหนาะวิเศษ สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆได้เนื้อหาของสารของพุทธธรรมพุทธคุณที่แท้จริงขึ้นไปแล้วแล้วก็มันยังไม่พอถ้ามันมากพอมันก็จะมีเนื้อหาสาระอันนี้ตามที่เราเชื่ออยู่ว่ามันจะมีเนื้อหานี้ยืดยาวไปได้ถึง 5,000 ันปีถ้ามันมากพอทีนี้รูปร่างทุกวันนี้อาตมาเชื่ออยู่แล้วว่าชาวพุทธของอโศกเราเนี่ยมันไม่จบมันไม่สั้นจูอยู่แค่นี้ แม่ตมาตายเนี่ยตมาก็มั่นใจว่าพวกคุณไม่หยุดหรอกไม่หยุดแต่เราประมาทไม่ได้ตรงที่ว่าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ไม่เพิ่มเติมนะต่างคนต่างก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วฟังทำแค่นี้ก็พอแล้วปฏิบัติได้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาเพิ่มกว่า น, นี้หรอกถ้าแต่ละคนแต่ละคนแบบนี้นะไปไม่ถึงห้าพันปีไปไม่ถึง ทีนี้มันจะเป็นเฮือกสุดท้ายตรงไหนมันจะเป็นเฮือกสุดท้ายตรงที่ว่าที่อาตมาพูดนี่มาอยากพยากรณ์นะแต่ว่าพูดบอกซึ่งคุณต้องทำมันถึงจะเป็นเราจะต้องสูงส่งเราจะต้องมีเนื้อหาเป็นเนื้อแท้ขึ้นไปแล้วมันก็จะไปเจริญเจริญเจริญเหมือนกับคนที่จะใกล้ตายนี่นะส่วนมากนี่จะมีเฮือกสุดท้ายี่จะดิ้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเนี่ยฟื้นก็นมแม้เบิกบานเยเดี๋ยวพอฟื้นขึ้นมาได้พับ วกพลอยอะไรตัวนี้ก่อนตายจะมีจะมีลูกลูกเฮือกสุดท้ายนี่ในคนนี่เยอะนะในคนเนี่ยที่ยังมีจิตวิญญาณที่ยังไม่อยากตายเนี่ยนอกจากคนที่จิตสงบจริงๆแล้วมันก็อยากจะตายหรือว่ามันมีอะไรที่มันไม่เป็นอะไรดิ้นรนมากมายแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นไม่มีเฮือกสุดท้ายหรอก ก็ยิ่งสงบแล้วก็ยิ่งดิ่งแล้วก็ยิ่งดับยิ่งจะตายไปเลยไม่มีเฮือกสุดท้ายแต่คนที่ยังไม่อยากตายนี่อยากจะพบอะไรมียิ่งมีคนที่มีอะไรกังวลยังมีอะไรอะไรอววรีนะจะดิ้นรนเฮือกสุดท้ายขึ้นมาจนได้ถ้ามันไม่เหลือบากแรงจะดิ้นรนเฮือกสุดท้ายขึ้นมาจนได้คนจะตายเนี่ยดิ้นขึ้นมาเฮือกสุดท้ายจนได้เขาจะรวบรวมพลังของเขาภายในมาเฮือกสุดท้ายพอเฮือกสุดท้ายแล้วก็ เหมือนก็แข็งแรงเหมือนก็สดชื่นนะเสร็จแล้วก็พลอยเลยหมดกําลังเพราะว่าได้เรียกร้องเอาทุนที่มาดิ่นรลนเนื้อสุดท้ายนะี่มาใช้จนหมดพอพอจากนี้ไปเลยนะสุดเลยพลอยตายส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากคนที่เคยเห็นคนตายมาม า, มากๆนี่จะรู้นะคนที่เคยเห็นคนตายมาม า, มากๆจะรู้สักเกตดีๆเถอะจะมีเฮือกสุดท้ายอันนี้ก็ในยะเดียวกันศา ส, สนาพุทธนี่จะมีอีกเฮือกสุดท้าย เพราะว่าเราไม่อยากให้คุณค่าของาศาสนานี่มันหมดไปไวใช่มแม้จะต่อไปได้เกิน 5,000 ปีเราก็ยังต้องการเลยว่ากันจริงๆแล้วอะใช่ั้ยจะได้มากกว่า 5,000 ปีก็ยังต้องการเลยไม่ใช่เอาแค่นี้ยะแต่นั่นแหละเราจะไปตะกรตะกราตะกรมเอาโดยที่เราว่าอยากอยากอยากโดยไม่ไปประพฤติปฏิบั ต, บติไม่พยายามสร้างสรรค์ขึ้นมามันก็ได้แต่อยากมไม่ได้หรอก มันต้องทําเอามันไม่อยู่ที่เราจะต้องเพียกพากเพียนฝึกฝนแล้วได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะกระเตือเต้องขึ้นกระเตื้องขึ้นแล้วก็จะเจริญขึ้นเป็นความเจริญงอกงามทางาศาสนาและมีอีกมุมหนึ่งที่อาตมาจะเอาเหตุผลมาอ้างหรือมาบรรยายกับคุณฟังว่าคุณจะเชื่อไหม อ, อันหนึ่งที่บอกว่าห้าพันปีอีกอันหนึ่งก็บอกว่าคุณเชื่อไหมว่ า, าศาสนาพุทนี้ยิ่งใหญ่าศาสนาพุทนี้จะต้องยิ่งใหญ่กว่ า, าศาสนาไหนไหน จะมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติได้อย่างนี้อย่างมากคุณเชื่อไหมว่าศาสนาพุทธมีคุณค่าต่อมนุษย์โลกได้อย่างดีอย่างมากตั้งแต่ศาสนาพุทธเกิดมา 2,500 กว่าปีนี่ยังไม่ยิ่งใหญ่เลยตอนนี้ศาสนาอื่นใหญ่กว่านะใช่ไหมอันนี้ต้องยอมรับนะขณะนี้ศาสนาไหนใหญ่คริสใหญ่ก็ใหญ่ตอนนี้ใหญ่พุทธ ย, ยังไม่ได้ใหญ่กว่าตั้งแต่พุทธมีมายังไม่เคยใหญ่เท่าศาสนาคริส ท, ทุกวันนี้ ศาสนาคริสต์ทุกวันนี้ทั่วโลกนี่เขาใหญ่กว่ารวมแล้วทั่วโลกนี่เขาใหญ่กว่าพุทธนะจะใหญ่ได้ปริมาณหรือคุณภาพอะไรก็ตามเถอะเราดูค่าง่ายๆค่ารวมๆนี่ใหญ่ศาสนาคริสต์นี่ใหญ่กว่าพุทธใครก็นับว่ายิ่งใหญ่กว่าพุทธนะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นความจริงแล้วศาสนาพุทธเกิดมาบอกว่ายิ่งใหญ่ไม่ต้องใหญ่จริงๆเลยสิแต่มันยังไม่ทันใหญ่เลยยังไม่ใหญ่ พยัญชนะพุทธจึงจะต้องใหญ่ใหญ่จริงๆถ้าความจริงว่าคุณเชื่อว่าใหญ่ต้องใหญ่ใหญ่กว่าคริสแน่ๆคริสจะสู้ไม่ได้ตอนนี้ยังสู้คริสไม่ได้พระยะพรต้องสู้ได้ต้องสู้คริสได้อ่าต้องสู้คริสได้อ่าเอาทีนี้จุดที่สคุณเข้าใจบุญนิยมขนาดไหนคุณเข้าใจบุญนิยมขนาดไหน ทุกวันนี้เรื่องคุณธรรมเนี่ยคริสเาก็ใช้อิสลามก็ใช้หรือศาสนาอื่นๆก็ใช้แม้แต่ไม่เป็นศาสนาเป็นลัทธิธรรมดาเขาก็เอามาใช้ใช้กับสังคมมนุษยชาติเพื่อจะให้มนุษย์มนุษยชาติอยู่สันติอยู่เย็นเป็นสุขนั่นแหละจะเรียกลัทธินั้นว่าเป็นลัทธิทางการเมืองลัทธิทางปกครองลัทธิทางสังคมลัทธิแห่งปรัชญาอะไรก็ตามใจเถอะเรียกได้ทั้งนั้น จะเรียกว่ารัทธิของาศาสนาก็ตามมีรัทธิต่างๆเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้สังคมนำไปปฏิบัติกับมนุษย์ในสังคมทั้งหมดบุญนิยมของที่อาตมาแน่ใจแล้วกัยืนยันกับพวกคุณว่าบุญนิยมนี้ก็คือาศาสนาพุทธนันธน่นแหละพุทธนิยมนี่แหละลักษณะของพุทธนี่แหละประกอบอยู่ในสังคมมนุษยชาติคุณคุณเข้าใจแค่ไหน อธิมาก็อธิบายพยายามอาธิบายให้คุณฟังในแง่แม้แต่ในด้านของสังคมในด้านของการเมืองในด้านของความเป็นอยู่ว่าบุญนิยมเนี่ยมันครอบมันครอบคลุมไปทั้งหมดแหละมันมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมทั้งนั้นบุญนิยมเนี่ยมีสมาอาชีพอันสมบูรณ์และในสมาอาชีพที่เป็นพุทธที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณธรรมมีคุณภาพของความเป็นพุทธคือไม่เห็นแก่ตัว หรือละความโลภความโกรธได้มากเป็นมนุษย์ที่ละความโลภความโกรธได้มากแล้วก็มีวงจรความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องมีบทบาทรีราของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของพุทธดําที่เรากำลังปลูกฝังอยู่เนี่ยชาวโศเราปลูกฝังอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะแห่งสังคมนิยมลักษณะคอมมูนลักษณะที่จะมีส่วนที่เกื้อกูลส่วนกลางส่วนใหญ่ส่วนมาก และต่างคนต่างก็ไม่ยึดไม่ติดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรกันนักมีส่วนที่จะแบ่งแจกในสมัยนี้อย่างประชาธิปไตยนี่กองกลางคืออะไรกองกลางก็คือเงินส่วนกลางที่รัฐบาลรวบรวมมาจากประชาชนอย่างประชาธิปไตยก็รวบรวมมาจากภาษีรายได้ อ, ไอื่นๆภาษีเป็นหลักแล้วก็รายได้อื่นๆที่รัฐบาลจะได้ จากอะไรก็แล้วแต่คือมีเยอะแยะรายได้ที่เขามาก็มารวมเป็นกองกลางของประเทศหรือว่ารัฐบาลควบคุมดูแล น, นี่ประชาธิปไตยเป็นงั้นแล้วก็ใช้เงินกองกลางนี่แหละเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนฉเฉลี่ยออกไปก็มีส่วนตัวในส่วนกลางมีส่วนตัวมีส่วนกลางมีจริงๆ คอมมิวนิสต์ก็หาวิธีรวมส่วนกลางให้มีส่วนตัวน้อยลงแต่ก็มีส่วนกลางให้มากโดยไม่พยายามที่จะให้ส่วนตัวนี่เอาไปมากก็เลยมีหลักเกณฑ์บังคับเอาแบ่งมาให้ส่วนกลางให้มากๆยิ่งกว่าประชาธิปไตยก็มีกองกลางมาก แล้วรัฐบาลก็เอากองกลางนั้นมาใช้กับประชาชนอีกแหละแต่ก็ยังมีส่วนตัวนะคอมมิวนิสต์ก็มีส่วนตัวไม่ใช่ไม่มีคอมมิวนิสต์ก็มีส่วนตัวแต่กองกลางที่รวมไปนั้ น, นบังคับกดขี่มากมแม้แต่เสรีนิยมก็บังคับออกกฎมามันก็เลี่ยงมันก็บังคับในเชิงแต่ไม่บังคับแบ่งให้มากเหมือนกับอย่างคอมมิวนิสต์คอมมนินิแบ่งเป็นส่วนกลางมาก ถ้าจะว่าส่วนกลางมันมีเสรีนิยมก็เรียกว่าส่วนกลางแต่เขาไม่เรียกกันอย่างนั้นเฉยๆอิสระเสรีเขาก็เรียกไปอิสระเสรีมันก็เน้นๆโดง่ดงๆไปทางอิสระเสรีอย่างว่าแต่ก็มีหลักเกณฑ์เหมือนกันนั่นแหละให้มารวมกองกลางเหมือนกันแต่ลักษณะของเสรีนิยมก็ลงกองกลางแบบนั้นอเมริกาเนี่ยโอ้โหภาษีมันสูงนะมารวมเป็นกอ ง, งกลางแล้วก็เอาใช้ภาษีคนที่ไปบริหารประเทศใช้เงินเหล่านั้นมาบริหารมาทําอะไรสร้างสรรทำอะไรอะไรให้มันให้แก่ประชาชนคืนให้แก่ประชาชน แจกจ่ายสัพัฒให้แก่ประชาชนได้มากมันก็ดีใครจะไปแอบโกงแอบกินมากนักทีนี้ถ้าประเทศไหนผู้บริหารแอบโกงแอบกินมากนักแบ่งเข้ากระเปา๋าตัวเองมากๆมันก็พังอยู่อย่างเงี้ยสังคมมันก็พังอยู่ยเรื่องอย่างเงี้ยทีนี้เรามามองชาวอาโศเราทีมีกองกลางส่วนตัวก็มีเหมือนกันดันที่กล่าวแล้วแล้วไม่ไ ป, ปบังคับ เหมือนเสรีนิยมไม่ได้ไปบังคับไม่ได้มาตั้งกฎว่าคุณจะต้องเอามาให้ทวนนั้นทวนนี้ไม่ได้มาตั้งกฎเหมือนกับคอมมอนนิสต์ไม่ได้มาตั้งกฎเหมือนคอมมอนนิสต์ใครอยากทําบุญใครอยากเอาเข้ากองกลางเขาเข่ามีกองกลางแล้วก็พยายามที่จะมีคนมีเจ้าหน้าที่มีผู้บริหารกองกลางนั้นให้กับหมู่พวกเราเดี๋ยวนี้มันมากขึ้นยากนอกจากกองมูลนิธิแล้วก็มีกองบุญสวัสดิการมีกองบุญค่มครองภังย มีกองบุญของแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยซึ่จะประสานเข้ามาหากองกลางเข้ามาหากองกลางและก็ใช้กองกลางนี่แหละให้แก่พวกเราและพวกเราจะเข้าใจเองเราว่าเออถ้าเราได้ให้ถ้าเราได้เกื้อกูลถ้าเราได้เสียสละเนี่ยด้วยปัญญากมองอ่านให้ออกว่ามันดีนะมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์พวกเราก็อ่านด้วยปัญญารู้เองด้วยปัญญาเชื่อมั่นเด็ดปัญญา แล้วพวกเราก็มาเสียสละมาสร้างสารรรวมกองกลางหรือว่าชับมาทำงานเพื่อที่จะให้เกิดระบบระบบบุญนิยมในพวกเราก็ทํานี่เกิดระบบบุญนิยมก็เป็นระบบอีกระบบนึ่งที่อัตมาว่ามันยังไม่มีในสมัยพระพุทธเจ้ายังทําไม่ได้ครบสมบูรณ์ในสมัยพระพุทธเจ้ายังทําไม่ได้ครบสมบูรณ์เพราะสังขารธรรมในสมัยพระพุทธเจ้ามีอย่างนั้นนอกจากสังขารธรรมของสมัยพระพุทธเจ้ามีอย่างนั้นแล้ว วัตถุดิบก็ยังมีมากทรัพยากรธรรมชาติก็ยังมีมากและความกว้างขวางสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันแบ่งกินแบ่งใช้กันแบ่งดูดก็ยังไม่มากสมัยพระเจ้าเนี่ยมีทรัพยากรอยู่ในประเทศอินเดียแบ่งดูดออกไปต่างประเทศน้อยในประเทศอินเดียก็กินใช้กันเองอยู่ในนั้นแย่งกันแย่งกันอยู่ในแค่นั้นแหวดวงแค่นั้นสมัยนี้โอโฮมอยู่ประเทศไหนก็ ม, นมาดูดของกรุงเทพ ม, มาดูดเอาไป ของเมืองไทยมาดูดเอาไปของเมืองนั่นเมืองนี่เมืองไหนที่โง่กว่าก็ถูกดูดเอาไปมากกว่าสังขารธรรมมันจัดจ้านวิธีการซับซ้อนลึกซึ้งดูดแย่งชิงมันจัดจ้านมีเลขกนมีจิตวิทยามีความเฉลียวฉลาดที่จะเอาเปรียบเอารัดมากระบบก็ลึกซึ้งเท่านั้นใช้ได้สมัยพุทธเจ้าระบบนั้นงองคประกอบของสังขารธรรมและทระัพยากรที่เป็น เหตุปัจจัยหรือว่าเป็นเป็นองค์ประกอบของมันเป็นแฟกเตอร์ของมันมันก็ได้ขนาดนั้นมาถึงวันนี้โลกต่างกันยุคต่างกันสมัยต่างกันองค์ประกอบต่างกันสังขารธรรมต่างกันวัตถุดิบทรัพยากรต่างๆน า, น า, น า, น า, นาต่างกันแม้แต่ความรู้ในเรื่องของระบบในเรื่องของจารีประเพนิวัฒนธรรม กิจกรรมกิจการต่างๆก็ต่างกันเพราะฉะนั้นของพุทธก็ต้องเป็นรูปที่ไม่เหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าสมาอาชีพของพวกเรานี่เป็นสมาอาชีพที่ให ม, ม่กว่าสมัยพระพุทธเจ้าเยอะ กว้างขวางมีองค์ประกอบมีการทํางานมีลีลามีเครื่องมือเครื่องใช้มีเครื่องอุปกรณ์มีอะไร ต, ะะไรต่างๆ น, น, นานาไวเร็วซับซ้อนเยอะแยะซึ่งเราต้องรู้รู้สิ่งเหล่านี้เท่าทันและเราต้องมีความจริงใจที่มากสมัยพระเจ้าก็มีความจริงใจมากเหมือนกันสมัยนี้ก็ต้องมีความจริงใจที่มากจริงๆด้วยเราจะความจริงใจที่มากแล้ว จะมีปัญญามากอีกด้วยเพาไอ้ปัญญาไม่มากนี่แล้วไปไม่รอดอัตมาไม่อยากชมให้พวกคุณเหลืองเอาพวกคุณมีปัญญารู้จักสัจจะแม้เราจะมีปัญญาในทางที่จะไปมีเลขกลเอาเปรียบเอรัฐเขาเนี่ยไม่เก่งเท่าเขาก็อย่าไปเสียใจเลยไอไปเอาเปรียบอรัฐเขาได้มากๆมันบาปคุณไม่สามารถที่จะไปเอาเปรียบอรัฐเขาได้ไม่ฉลาดเท่านั้นอย่าไปเสียใจไม่เป็นไรเรา ทั้งโลกเขาเนี่ยโอ้โหเขาน้อยใจนะเขารู้สึกต่ําต้อยนะถ้าเขาไม่มีปรรัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดที่จะเอาเปเารียบอรัตได้มากๆเขาน้อยใจแต่พวกเรานี่ยังไปน้อยใจเลยมาเฉลียวฉลาดรู้จักสัจธรรมที่จะเสียได้มากๆมากกว่าฉลาดยังไงที่จะเสียได้มากๆไม่จะเสียหายนะ <laughs> ไม่จะเสียหายนะเสียสละฉลาดยังไงที่จะเสียสลากได้มากๆไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้เปรียบ เสียสละได้มากมนี่ชัดฉลาดอย่างนี้เอออันนี้มาฉลาดเถอะแล้วก็เห็นให้ชัดรู้ให้จริงฉลาดที่จะเสียสลาดได้มากๆเขาจะว่าโง่เขาจะว่าบาก็้วก็ฉั่งเขาเถอ ะ, อะส่วนที่จะไปฉลาดเอาเปรียบแล้วเราฉลาดเอาเปรียบไม่ได้มากกับฉังมันไม่ต้องน้อยใจอย่างอาตมาเนี่ยไม่น้อยใจอราไม่เคยรู้ภาษีภาษาดูสิในหลักเศรษฐศาสตร์หลักไตรศาสตรออ์ก็ไม่รู้ก็ะเขาเลย เจรจาพาที่น like uh, ี่ให้อัตมาไปประชุมแบงก์โลกกับเขานี่อัตมามึนหัวตายแง่ๆเลยไม่รู้เรื่องกับเขาแบงก์โลกน้ำจะพูดอะไรยังไงไม่ไม่รู้เรื่องแน่พูดในภาษาเทคนิคเขาเทอมไอ้ภาษาไอ้พวกนี้เขาอัตมาว่าอัตมาไม่ไม่ไม่มีท่าไปก็เหมือนไอ้ตัวไอ้เด้อเด้อดาดตัวหนึ่งไม่เขาเดืองอะอัตมาก็ไม่น้อยใจนะไม่น้อยใจจริงไม่เป็นปมด้อยอะไรอัตมาไปประชุมด้วยไม่ได้ไม่รู้เรื่องด้วยอัตมาไม่เป็นปมด้อยอะไร แต่ลึกๆถึงแม้ว่าอาตมาจะไม่รู้ในรายละเอียดที่เขาจะมีเชิงกลพวกนั้ น, นรู้ไม่เท่าไม่ทันก็ตามแต่อาตมาว่าถ้าอาตมาไปไประชุมด้วยอาตมาก็จะรู้อะไรอันหนึ่งเหมือนกันไอ้ aí, พวกนี้มันจะเล่นอะไรมันจะมีเหลี่ยมอะไรมันจะเอาอะไรอาตมาก็อาจะรู้เหมืนอนกันนี่อาตมาก็ดูข่าวคลาบ้างเหมือนกันมันมีเล่เหลี่ยมอะไรยังไงรู้ไม่มีปัญหาเข้าใจแล้วเราจะต้องป้องกันหรือว่าเราก็พยายามไม่ให้เขามาทําชั่วไม่เขาไม่ให้เขามาเอาเปรียบเอารัดนั่นเองคือการความชั่ว แล้วก็พยายามไม่ให้เขามาทำมันเป็นบาปของเขาถ้าเราจะเสียสละให้เขานะ่เขาไม่บาปแต่ถ้าเราไม่เสียสลายเขาแต่เขาจะมาเอานี่เหลอเขาบาปจะมาเอาเปรียบนี่เหรอเขาบาปมันอยู่ที่เจตนาลมเจตนาจริงอา่าสรุปในระบบบุญนิยมยังมีอีกมากที่เรากำลังจะศึกษา และอาตมาขอยืนยันว่าระบบบุญนิยมนี่เราจะยิ่งใหญ่กว่าระบบคอมมินิสต์ระบบสังคมนิยมจะยิ่งใหญ่กว่าระบบเสรีนิยมที่เขามีกันอยู่เสรีนิยมทุกวันนี้ก็เป็นเสรีนิยมของทุนนิยมหรือบริโภคนิยมคอมมินิสต์เราบอกว่าเป็นสลากสังคมนิยมก็เป็นสังคมนิยมที่อย่างนั้นแหละสังคมนิยมที่ยังไม่จริงจังยังไม่ลึกซึ้งพอสังคมนิยมยังไม่ได้เป็นตัวจิตป right. yeah. yeah. yeah. yeah. We ัญญาญยังไม่เป็นการเสีสสลายยังไม่เป็นการรวมยังไม่เป็นการ เฉลี่ยโดยความพอใจเฉลี่ยโดยความเต็มใจเฉลี่ยด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงนะเพราะงั้นก็มันก็ไม่ได้นะไม่ได้ความจริงก็ได้แค่นั้นน่ะสังคมนิยมก็ได้แค่นั้นทีนี้ก็ถ้าคุณรู้ว่าหรือคุณเข้าใจว่าระบบบุญนิยมนี่น่ะยอดถ้าคุณเชื่อนะเห็นชัดเจนว่ามันเหนือชั้นกว่าระบบสังคมนิยมที่ กำลังจะล้มละลายอยู่ตอนนี้หรือหรือว่าเหนือชั้นกับระบบเสรีนิยมที่มันเป็นทุนนิยมบริโภคนิยมที่เอาเปรียบเอารัดกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าคุณแน่ใจว่าบุนนิยมนี่เหนือกว่าหรือจะบอกว่าสหสังคมเสรีบุนนิยมนี่เรียกเต็มๆครบเครื่องเหนือกว่าแล้วแล้วก็เรามาสร้างอันนี้ให้เต็มแล้วมันก็จะเจริญยิ่งให ญ, ใหญ่แล้วมันก็จะเอาระบบนี้ไปใช้ในโลกไปใช้ได้ในโลก ก็เราก็ยังเอามาใช้ได้คนโลกโลกเขาก็จะต้องเห็นระบบนี้ว่าระบบนี้เราจะมาใช้ให้เกิดสังคมที่เป็นสันติภาพมีอิสระเสรีภาพที่จริงยิ่งกว่ามีพระราดอนภาพที่จริงยิ่งกว่ามีสันติภาพที่จริงยิ่งกว่ามีสมรรภาพที่จริงยิ่งกว่าเป็นสมรรภาพที่เสียสละเป็นสมรรถภาพที่สร้างสรรค์เกื้อกูลด้วยไม่ใช่สมรรถภาพที่จะเอาเปรียบสมรรถภาพทุกวันนี้ไม่ใช่สมรรถภาพที่เอาเปรียบใครเก่งใครสามารถมากก็โลภมาก เอาค่าแลกเปลี่ยนกับคืนมามากๆได้เปรียบมากๆแทนที่จะกระจายแทนที่จะช่วยเหลือกเกื้อกูลอ่าเป็นปลาใหญ่ก็ช่วยปลาเล็กเปล่าเป็นปลาใหญ่ก็ฮุบปลาเล็กกินปลาเล็กซ่อนเข้าไปอีกไม่ได้ปลานีไม่ได้เกื้อกูลไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรเลยสามารถจริงเขาสามารถเขามีสมรรถภาพสูงจริง แต่สมัติภาพที่สูงนะั้นยิ่งเป็นล่ายิ่งไปเอาเปรียบเอารัดยิ่งไปข่มเหงเบียดเบีย น, ยนมันไปไม่รอดไปไม่รอดอัตมาพูดอย่างนี้พวกคุณอัตมาเชื่อว่าพวกคุณเข้าใจและแม้จะไปพูดในคนในโลกในสังคมธรรมดาเขานี่นอัตมาก็คิดว่าเขาเข้าใจนะที่บอกว่าถ้าบอว่าเราเองเราสามารถมากเรามีความสามารถมีความรู้สร้างสรรค์ได้มากกว่าจริงๆแล้ว แล้วเราก็ควรจะเป็นผู้ที่เกื้อกูลอุ้มชูช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถเท่าเราสามารถน้อยกว่าเราหรือรู้น้อยกว่าเราควรจะเกื้อกูลช่วยเหลือเขาเราจะเกื้อกูลช่วยเหลือเขาได้มากมากก็เพราะเราลดตัวตนลดการเสพลดการผานลดการติดการยึดลดที่ตัวเองจะต้องเอามาบำเบลอตนจะบำเบลอยังไงก็แล้วแต่เราต้องลด ลดที่เราได้มากเท่าไหรเราก็เหลือมากกันนะแล้วเราก็ต้องเพิ่มเราให้เป็นผู้มีสมรรถภาพมีความขยันมันเพียรมีความขนขวายมีความวิริยะอุตสาหะสร้างสรรได้ได้มากมากขยันมันเพียรจริงๆมีอิทธิบาทวันๆคืนๆเราก็เป็นผู้สร้างที่มากแต่เราลดเราใช้น้อยกินน้อยใช้น้อยเปลืองน้อยเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ เดินอย่างดีอย่างแข็งแรงอย่างเต็มสูบเท่านั้นเองให้เครื่องยนต์ของเราเนี่เดินอย่างแข็งแรงอย่างเต็มสูบได้แล้วก็เอามาใช้มาอาศัยซึ่งในศึกษาแล้วก็ปฏิบัติอบรมฝึกฝนแล้วน้อยเราใช้น้อยผู้ที่ตัวเองก็กินเหมือนรถกินน้ามันน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงมันก็วีเศกกาไรบานเลย ประสิทธิภาพนั้นก็ให้แก่ประชาชนไปตัวเองเอาเพียงอาศัยเอามาเพียงเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องกลเครื่องยนต์ของเรานี่สมบูรณ์เจริญงอกงามอยู่เต็มรูปเต็มความพอเหมาะพอสมของมันเท่านั้นไม่ได้มาเฟอร์มาเกินไม่ได้มาสะสมกอบโกยไม่ได้มาโลมโมโทสันมาเผื่อคนนั้นเพื่อคนนี้นนนที่ เป็นคนที่เราคิดอยากจะให้เป็นคนของเราหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราทําอย่างนี้จริงจริงจริงจริ ง, ร ง, รงให้ได้คุณค่าอย่างนี้จริงๆเลยระบบบุญนิยมหรือระบบสหสังคมเสรีบุญนิยมก็จะขึ้นผงาดเหนือเสรีนิยมธรรมดาเหนือสังคมนิยมธรรมดาที่ก็เป็นอยู่ทุกวันนี้อาตมาบอกแล้วว่าโลกนี้ก็ต้องหารัฐิหรือว่าหาระบบ หาสูตรสําเร็จอะไรของสังคมที่มาใช้ให้แก่สังคมที่จะเป็นอยู่สุขเขาหาอยู่เหมือนกันแต่เขาหาสูตรนั้นไม่ได้สูตรเรานี่เขาก็หัวร่อเยอะอยู่มันก็มีนัยยะไกลๆคล้ายๆกยันที่เขาเคยคิดสร้างสูตรสวยๆขึ้นมาเรียกว่าสูตรพระศรีอาน์หรือว่าสูตร ย, ยูโทเปียสูตรพระศรีอารสูตร ย, ยูโทเปีย อสูตรพิเศษอะไรนี่เขาเคยคิดกันอยู่ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เราก็ดูสิว่าสูตรอย่างนั้นลักษณะอย่างสูตรยยโทเปียกันดี่ลักษณะสูตรอย่างที่เขาหาเขาว่าเป็นสูตรพระสีอานอะไรความหมายพองนี้ก็ตามเอามาวาไวให้ชมมาเอาเอเอามาอะไรนี่หมักพี่พวนนู้นเนี่ยใช่แล้วนี่หมักพี่พวนอ๋อ ไปเอาพวกนี้มาให้กินนมัมาพี่พวนอิซาเียกมาพี่พวนสูตรสำเร็จอย่างที่ว่าเนี่ยเขากากำลังกลังสะสมและสูตรที่เราเรียกอยู่เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายไหมคล้ายพุทธยุคลายยุทธเปียจะเรียกผสมเลยไปพุออทธยุทธเปียนี่เากาตั้งให้ เขาก็เห็นว่ามันคล้ายในะพวกศึกษาลัฐศาสตร์เนี่ยดูสูตรที่จะมาใช้ปกครองบริหารประเทศเนี่ยอย่างดรสมบัติที่เขาศึกษาอยู่เขาก็อุตส่าห์มันมีส่วนคล้ายมันมีส่วนเนื้อหาของมันว่าเออมันอย่างนี้แหละเป็นอย่างเงี้ยมันคลายมันมีเนื้อหาสาระของมันตรงอัตมาเรนะบอกกรงกรงเลยไม่ได้เคยอ่านเลยด้ยซ้าไปเรื่องของยูโทเปียของโทมัสมอร์อัตมาไม่เคยอ่านเราเรื่องเนี้ได้ยินได้ข่าวคราวเท่านั้นเนี่ย เป็นยังไงในรายละเอียดยังไงอาตมา ก, ก็ไม่เคยอ่านไม่เคยได้รู้เรื่องนี้เหนังสือข้อหามาให้อ่านก็ยังไม่ได้อ่านอยู่จนป่านนี้ข้อหามาให้นะแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยได้ด้วยแต่อาตมา ก, ก็ยังไม่ได้อ่านแต่เนื้อหาสาระมันมันตรงมันมีส่วนคล้ายกันมากหรือแม้จะเอาในความหมายของพระศรีอ่านสังคมพระศรีอ่านก็เหมือนกันเนี่ยมันมันมากมันเข้าใจได้มากเลยมันเหมือนกับสิ่งต่างๆนี่เป็น เป็นแบบอะไรอะสารพัดนึกหรืออะไรอะเป็นแบบสารพัดนึกเป็นแบบที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องแกง่งต้องแย่งกันทุกคนมีน้าใจเอื้อกูลจิตใจเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่มันก็หมดความโลภความเห็นแก่ตัวนั่นเองสาระมันอยู่ตรงนั้นและจริงไหมเท่านั้นเอง คนจะมีอย่างงี้จริงไหมซึ่งเราจะทำให้คนทั้งโลกนี้มาหมดความโลภความเห็นแก่ตัวทั้งโลกนั้นทำไม่ได้ยิ่งคนทุกวันนี้เสื่อมตกตำ่ำผีเยอะกว่าคนมนุษย์หรือพอพระผีเยอะกว่าพระเพราะฉะนั้นจะให้มาหมดความโลภไม่ได้หรอกแต่ถ้าน้ำหนักของคนที่ความโลภน้อยมีความเสียสละมากสร้างสรรค์มาก เสียสละมากสร้างสรรค์มากเอาเปรียบน้อยลงไปได้เท่าไรเท่าไรเท่าไรเอาเปรียบน้อยหรือว่าสร้างสรรค์เสียสละมากขึ้นมากขึ้นได้มากเท่าไรเท่าไรประมาณหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องถึงครึ่งโลกคนในโลกนี่ไม่จำเป็นต้องต้องถึงครึ่งโลกโลกนี้ก็สมดุลละเพราะความเผื่อแผ่ของคนนั้นเผื่อแผ่จริงจริงเนี่ยประสิทธิภาพของคนนี่สร้างได้มากกว่าตัวกินตัวใช้ และก็ไม่ใช่คนขี้เกียจขี้คร้านเพราะฉะนั้นคุณภาพเหล่านี้แหละสมรรถภาพเหล่านี้แหละมันจะเหลือมันจะอุดมสมบูรณ์และความอุดมสมบูรณ์ที่ในรัฐที่ของพุทธศาสนาของพุทธเนี่ยไม่สะสมไม่กักตุนไว้เป็นของตัวของตนด้วยสะพัดตามหลักเศษษรษฐศาสตร์กลแพร่เผื่อแผ่ออกไปสู่คนที่ควรจะได้ควรจะเป็นด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะมีจํานวนไม่ถึงครึ่งน้อยกว่าก็ตาม ก็สัพพัดได้ครอบคลุมถึงครอบคลุมถึงเพียงพอฟังให้ดีๆเพียงพอไม่ต้องถึงครึ่งหรอกอยู่ได้อยุ่สงบเย็นนั่นแหละคือความจริงที่มันจะเกิดพระยังจะไปหวังว่าโลกนี้จะเกิดเมืองพระสีอาหรือบ่เกิดความสันติสุข เย็นเนี่ยจะต้องมีคนทั้งโลกเนี่ยลดกิเลสหมดมีความเห็นแก่ตัวม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มีใครไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่ทั้งหมดไม่ต้องและทําไม่ได้ด้วยยิ่งคนยุคกาลสมัยที่จะไปหากลรียุคนี้ยิ่งไม่มีบารมีมากเพราะเจ้าจะไปทําให้หมดไม่ได้ เอาละเราก็ต้องไม่ได้อัดเอื้อมหรือว่าไม่ได้ทําเป็นอาขาผวาปีกจะไปถึงขนาดนั้นหรอกเราก็เอาแต่แค่ประเทศไทยเนี่ยเอาแต่แค่ประเทศไทยนี่ก่อนเนอะไม่ต้องเอาแต่กับประเทศไทยก็เอาแค่ญ่านนครปฐมก็ให้ปฐมปร ะ, ะโศกรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์เผื่อแผ่จังหวัดนครปฐมได้ กรุงเทพก็เอาสัติาโศกเนี่ยอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแผ่ในกรุงเทพได้หรือปทมุมโศกรวมกับสัติาโศกช่วยชาวกรุงเทพช่วยชาวนครปฐมที่เป็นเมืองเมืองเป็นแคว้นที่ใกล้เคียงกันอยู่ชิดติดกันเนี่ยสะพัดให้อุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขระหวงันงนครปฐมกับกรุงเทพสัติาโศกกับปทมโศกนี่ก็เป็นสองแหล่งใหญ่ที่พวกเราอยู่เนี่ย ให้พวกเราอยู่แค่นี้แะลรแล้วก็เกือกูลจนกระทั่งคนในกรุงเทพเขารู้ยอมรับความจริงว่าเราเป็นพวกมีบุญเราเป็นพวกที่เกือกูลเราเป็นพวกที่ได้เสียสละเราเป็นพวกที่ได้เห็นอย่างชัดแจ้งอย่างที่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่อุ้มชูช่วยเหลืออยู่จริงแม้จะคนในกรุงเทพคนในนครปฐ ม, มส่วนใหญ่จะยังเห็นแก่ตัวอยู่ เ, เขาก็ เข้าใจเราแล้วเขาก็ไม่กล้าระรานเราเอาเท่านี้ก่อนเถอะเอาเท่านี้ก่อนเถอะถ้าเป็นจริงไปได้แล้ ว, ลวก็ทฤษฎีนี้หรือสูตรนี้หรือว่าโมเดลนี้ตัวแบบอันนีน้มันจะประกาศตัวมันเองเองมันจะประกาศตัวมันเอง เันทุกวันนี้เราทําตั้งแต่จุลภาคหรือว่าทําตั้งแต่จุดเล็กลุ่มเล็กแล้วไม่ต้องอยากไม่ต้องไปเสียคารี่ว่าเราจะต้องอยากใหญ่อยากเกืือกูลอยากช่วยโลกทั้งโลกเฮ้ยมันจะใหญ่ไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าไปมักใหญ่อย่าไปมักมากงั้นแหละอย่าไปมักใหญ่ใหญ่มากๆคิดอย่าไปคิดกว้างคิดไกลไปปาล น, นั้นคิดแต่อยู่ในแวดวงที่เราพอจะเป็นไปได้แค่นี้แค่นี้เนี่ยให้ชัดเจนแล้วทําก็ไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละนาทีวินาที สังสันปไ ป, ไปแล้วเหตุปัจจัยที่จริงนี่มันจะโตเองมันจะเจริญเองอย่าไปเสียคลรรี่อยากใหญ่อยากมากอะไรไม่ต้องขอให้จริงเลยกันให้มันได้จริงๆขอสาคัญตรวจสอบให้ดีๆให้ถูกให้ตรงมันจริงคุณว่าจะมาเสียสละเนี่ยมาเสียสละจริงหรือเปล่ามาเสียสลอกมาเสียสละหรือว่าจะมาเสียสลอก มาหลอกอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มาหลอกนะจริงความไหนมันลักษณะไหนที่มันยังไม่ตรงมันยังไม่บริบูรณ์มันยังไม่สมบูรณ์มันยังมีตัวพลางตัวดูดตัวเห็นแก่ตัวที่ยังแซมอยู่ในอันไหนก็แก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเราอย่าให้มันมีตัวเพี้ยนอย่าให้มันมีตัวที่มันไม่สมบูรณ์พวกนี้ให้ได้เรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปขึ้นไปคุณก็ได้บุญคุณก็ได้ความจริงได้ศัพท์ ได้ความดีได้สิ่งที่เป็นกรรมเป็นวีบากของคุณที่ดีนั่นแหละไปแต่ละปางแต่ละชาติแต่ละนาทีวินาทีคุณก็สะสมไปแล้วมันก็จะประสานรวมกันสมานกันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกันเป็นกลุ่มดาวกลุ่มกาแล็กซีกลุ่มสนามแม่เหล็กไปกลุ่มสนามแม่เหล็กกลุ่มดาวกลุ่มกาแล็กซีกลุ่ ม, มพวกที่จะ มีแรงอะไรมาประสานกันได้รวมเป็นกลุ่มนี้มีฤทธิ์แรงที่จะกระจายแสงรัศมีอำนาจออกไปเผื่อแผ่ออกไปเกื้อกูลกาแล็กซี่อื่นแม่เหล็กก็ไปเผือแผ่แกเหล็กอื่นเหล็กอื่นหรือว่าวัตถุที่ควรจะได้รับสิ่งที่เรามีเราเป็นนี้แก่เขาซึ่งเราก็รู้ว่า นะเราก็รู้ว่าดวงดาวอื่นหรือกาแล็กซี่อื่นหรือว่าสังคมมนุษย์อื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องการอันนี้แหละต้องการความอยู่เย็นเป็นสุขต้องการความอยู่ดีกินดีไม่ใช่อยู่สามกินสามนะอยู่ดีกินดีความมีสภาพของอิสรเสรีภาพที่ดีมีความเป็นพี่น้องเป็นพระราดรนระพาศีดีสันติภาพที่ดีสมรติภาพที่ดีมีความ สมบูรณ์เป็นบูรณภาพความครบครันจนกระทั่งมีส่วนเหลือส่วนเกินที่จะแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลผู้อื่นไปได้จริงๆริงให้ดีจริงๆเราก็รู้สาระถาพงนี้แล้วเราก็สร้างเป็นสร้างสาระถาพนี้เป็นถูกต้องมีความรู้ในสาระถาพงนี้แล้วก็สร้างได้สมบูรณ์พูนสุขอยู่เกื้อกูลเขาอยู่โดยไม่จำเป็นจะต้องไปโล่โมโทสันมาให้แก่ตัวเอง หรือเป็นแลกเปลี่ยนเข้ามาเพราะเราพึ่งตนได้อัติเหิยัตโนนาโถได้จริงๆแลวเราก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้จริงๆไม่ต้องสะสมสังคมก็มีสิ่งแวดลอ้อมมีธรรมชาติมีอะไรอะไรเป็นบทบาทแรงงานช่วยเหลือเราคนก็ช่วยอยู่ดูแล้วดินก็ช่วยเราน้าก็ช่วยเรา สัตว์ก็ช่วยเราต้นไม้ก็ช่วยเราอากาศก็ช่วยเราลมก็ช่วยเราแสงแดด ก, ก็ช่วยเราอุณภูมิก็ช่วยเราวิญญาณต่างๆก็ช่วยเราหมดนั่นเป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวฉุดถ้าเราทำได้ดังที่กล่าวนี้จริงมันก็จะเป็นจริงดังที่อาตมาพูดไป แต่ไม่ได้พยากณรบอกอีกครั้งหนึ่งว่าอาตมาไม่ได้พยากรบอกเหตุผลบอกเรื่องราวบอกสารถาว่ามันจะเป็นอย่างนี้ระถตาคุณเชื่อ 1. นเชื่อว่ า, าศาสนาพุทธนี้จะยืนยาวไปถึง5 0 0พปีสองเชื่อว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยเยี่ยมยอดยิ่งใจเหนือใดใ 3เชื่อว่าคุณลักษณะของบุญนิยมหรือสหสังคมเสรีบุญนิยมเนี่ยมันวิเศษแท้มันมีคุณค่ามีคุณลักษณะต่างๆที่อาตมาอธิบายไปคราวๆนั่นนะซึ่งมนุษย์จะต้องเอาอันนี้มาใช้ในสังคมเหมือนทุกวันนี้มนุษย์จับเอาเสรีนิยมมาใช้ได้เอาสังคมนิยมมาใช้ได้หรือเอา อัตตานิยมมาใช้เขาเรียกอะไรอัตตานิยมเหรอประเภทปรเด็น ก, การนี้เรียกอะไรนะอัตตาธิปไตยหรืออัตตานิยมอ่าเป็นปรเด็จ ก, การหลายหลายรูปแบบมาใช้มันก็เรื่องของเขาก็หาลัทธิหรือหาสูตรสําเร็จพวกนี้มาใช้กับสังคมเพราะะนั้นสังคมนี้สังคมที่ต่อต่อไปถ้า คุณภาพคุณค่าของสังคมนี้เป็นจริงแล้วก็เด็ดขาดพิสูจน์ได้ยืนยันได้จริงๆคนเขาก็ต้องรับเอาถ้าเชื่อได้ยอย่างที่อาตมาว่าในสาประเด็นง่ายๆเนี่ยสาสามประเด็นชัดๆเนี่ยถ้าจะหาหลายๆความหมายหลายๆประเด็นกว่านี้ก็หาได้แต่เอาแค่สามประเด็นนี้ถ้าคุณเชื่อนะและเป็นจริงแล้วแล้วก็ เพื่อสุดท้ายของศาสนาพุทธนี่ยังจะเกิดอีกก่อนนี่มันจะครบ 5,000 ันปีมันจะทําให้คนได้รับประโยชน์จากพุทธอย่างถูกต้องอย่างจริงจังว่าจะครบ 5,000 ปีจริงว่ายิ่งใหญ่จริงว่าบุญนิยมนี่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติจริงหรือจะเรียกพุทธนิยมก็ได้เรียกบุญนิยมก็ได้บุญนี่แปลว่าตัวชําระกิเลศ ก็คือลัทธิใดที่จะชาระ ก, กิเลสได้จริงนั่นแหละซึ่งอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าไม่ใช่ไม่แน่แน่ใจว่าไม่มีลัทธิไหนที่จะชำระ ก, กิเลสได้ดีเท่าสัลัทธิพุทธหรือศาสนาพุทธที่ถูกต้องนะต้องมีวงเล็บด้วยว่าเป็นศาสนาพุทธที่ถูกต้องเป็นสมาธิผู้พูดอย่างนี้ก็ศาระอื่นฟังแล้วก็มันไส้ก็ได้ ไม่มันหลงศาสนามันเองแล้วเกินยกย่องแต่ตัวเองและข่มคนอื่นนะและศาสนาอื่นได้ยินก็คงจะหมันไส่ก็ขออภัยมาคุณก็แน่ใจในศาสนาคุณก็ทําให้ดีแล้วกั น, นอาตมาเองอัอาตมาเคยบอกพวกเราว่าอย่าไปดูถูกดูแคลนศาสนาไหนๆเขานะเพราะศาสนาแต่และศาสนานั้นเขาก็มีจุดดีจุดเด่นของเขาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น หรืออย่าว่าแต่ในศาสนาอื่นๆใดไปดูถูกเขาเลยแม้แต่ในศาสนาพวกเรากันเองในศาสนาพุทธกันมีผู้ที่ดีเนี่ยมีผู้ที่มีคุปภูมธรรมีคุณธรรมดีๆพวกเราก็อย่าไปดูถูกดูแคลนกันมากแม้เขาจะไม่ชอบเราแม้เขาจะว่าเราแต่ถ้าเขาเองเขาดีเขาถูกในส่วนที่เป็นสัจจะก็อย่าไปดูถูกดูแคลนเขามากอย่าไปที่ใดยก ตนยกตัวขม่มตอนนี้เราต้องลดบทบาทพวกนี้ให้มากหน่อยมีญา น, นึงอาตมาอยากจะปรามพวกเรานะอยากจะบอกพวกเราว่าเราอย่ากยกตัวยกตนมากเกินไปนักดยแต่ข้อสําคัญก็คืออย่าไปขม่มอย่าไปยกตัวเราขม่มอย่าไปพูดอาตมาเหนือกว่ายังไงอย่างนี้เด่นกว่าดีกว่าสามารถกว่าอย่างนี้อย่าไปพูดนะ เราเอาออห่หมออกไปเอออะไรดีก็ดีอันนั้นอันในดัดีดีนอกจากคนที่สนิทใจที่จะเปิด อ, อกพูดกันว่ามีจุดตรงไหนที่จะวิจัยกันเออค่อยว่าอีกทีหนึง่งเพราะในส่วนก ล, กลางกลางกว้างกว้งอย่าไปยกตัวข่มท่านโดยเฉพาะบางจุดบางจุดแต่ส่วนพวกที่ไม่ค่อยเขา้าท่าไม่มีปัญหาคนที่ทำเลเล่เท่ๆทำเสเสียยหายเราจะบอกว่าเอาน่ะน่ะมันเสียหายตํา เราสูงกว่าสูงกว่าจริงสูงไม่ต้องกลัวไ อ, อ้ยังงั้นไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรื่องที่ชัดเจนแล้วไปเรื่องที่จะต้องพึงขม่ผข ม, ขมผู้ควรข่มพระรู้จักก็สอนเราข่มผู้ควรข่มยกผู้ควรยกยกไปต้องยกท่านพุทธทาสควรยกก็ยกแม้แต่พระเทศเวทีควรยกในส่วนที่ควรยกก็ยกพระเทศเวทีก็ไม่ใช่อย่าจะไปตีขม่มท่านทีเดียวบางคนที่ไม่ยกอัตมาก็ไม่ยกคนจะข่มเลยบางคนข่มก็ขม่ม แต่จะเห็นได้ว่าอาตมานี่นะพูดถึงคนที่จะข่มนะออกระบุตัวระบุชื่อเลยนี่นะอาตมากล้าพูดได้กับพวกคุณแม้แต่พวกคุณฟังมากๆเนี่ยอาตมาอ้างข่มใครที่เป็นส่วนตัวมากนะักไม่หรอกยกตั้งหาอาตมาออกชื่อออกเสียงแต่จะข่มคนนั้นคนนี้เนี่ยนะเบ่งทับคนนั้นคนนี้นะอาตมาไม่ได้ไปขม่มไม่ได้ออกชื่อนอกจากพูดสารถักใช่ไหมขณะใกล้ใกล้ชิดชิดนีอ่อาตมาไปที่ได้ขม่มไป กลาดไปยกตนข่มท่านคนนั้นคนนี้บอกตัวบอกตนเลยใครกันมั่งน้อยไม่ได้ออกชื่อง่ายๆหรอกคนที่จะข่มอะแต่คนที่ยกนี่ออกชื่อระบุเลยมากกว่าอาตมาว่าอาตมาไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดตลกจรแหงอาตมาว่าอาตมาพูดจริงใครที่อยู่กับอาตมามาเนี่ยจะจะเห็นจะรู้ ว่าเรายกสิ่งที่คนยกตามที่พระเจ้าท่านสอนเราเราก็สรุปว่าเฮืออสุดท้ายก่อนจะถึงกรลียุคโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาเนี่ยพุทธเราเนี่ยก็ถ้าทำได้ถูกถ้าทได้จริงพวกเรามีความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะิริยอบรมฝึกฝนปฏิบัติประพฤติได้เนื้อหาสาระเพียงพอศาสนาพุทธจ ะ, จะไป ยังจะมีอีกเฮือกหนึ่งที่จะเจริญจเจริญจริงๆมีเงื่อนไขนะว่าพวกเราต้องภาคเพียรพวกเราจะต้องสร้างสรรค์ให้เพียงพอจะไปได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับของจริงพวกนี้แต่ถ้าบอกว่าพวกเราไม่จริงจริงแล้วเราก็ไม่ไปหรอกไม่ได้หรอกมันก็อยู่ที่สัจจะพวกนี้เพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงเนี่ยแม้จะพยากรณ์ไว อย่างไรอย่างไรถ้าเผื่อว่าไม่มีสารสัจจานั้นที่แท้จริงเพียงพอพยากา์ไว้ก็ผิดพลาดความจริง 5,000 ันปีนี้เป็นผู้เจ้าพยาการนะพระมหาสาวกรุ่นหลังมานะพยาการว่ า, าศาสนาพุทธจะยืนยาวไป 5,000 ปีไม่มีคําตรัสยืนยันของผู้เจ้าว่ า, าศาสนาพุทธจะยืนยาวไปอีกห้าพปีไม่มีพระมหาสาวกอื่นเท่านั้นที่พยาการไว้แต่กระนั้นก็ตามคุณเชื่อไหมล่ะ คุณเชื่อพระมหาสาวกนั้นไหมเราไม่เราจะต้องฟังในดีนะว่านี่ไม่ใช่คำพยากรณ์ของพระเจ้านะแต่พระมหาสาวกก็ไม่ได้มหาสาวกกะเรวราชอะไรนะมันก็มีเนยากคล้ายๆอาตมาพูดไว้นี่แหละอะไรต่างๆนานาแต่ทีนี้คนที่มั่นใจเขาก็ไปเอาเลยยืนจันปั้งๆๆโดยไม่อธิบายให้มันมีเหตุปัจจัยอาตมาไม่พยายามที่จะทาอะไรตีเปราะลงไปตายตัวโดยที่ว่า ไม่กลายก็อะไรก็เป็นนิดจังอะไรก็เป็นนิดจังเป็นของเที่ยงของเที่ยงประเภทที่ตายตัวทำให้คนประมาทไม่เอาต้องไม่ประมาทอย่าไปพูดอะไรให้คนประมาทถ้ากลายเป็นของเที่ยงแล้วมันประมาทมันไม่ได้เรื่องหรอกมันเสียหายอย่างเหมือนกับอาตมาทำกับพวกเราหลายอย่างเนี่ยไม่พยายามที่จะบอกเปลี่ยงลงไปอย่างนั้นแล้วทำให้พวกเราประมาทเนี่ยอาตมาไม่ทา นัยยะลึกซึ้งอย่างนี้ต้องมีศิลปะต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าเราควรจะพูดอย่างไรกําหนดอย่างไรมันจึงจะเป็นคุณค่าประโยชน์ที่จเจริญดีถ้าพูดอย่างนั้นกําหนดอย่างนั้นแล้วประโยชน์คุณค่าไม่มากดีไม่ดีเสื่อมเสียเอาด้วยก็อย่าพึงกระทํา เอาลสหรับวันนี้อาตอมาก็คิดว่าสมควรแก่เวลาที่ได้เทศนาตามเวลาที่พอควรแลวเรายังมีกิจข้างหน้าที่เราจะต้องไปเดินทางไปงานศพงานอะไรตอนเที่ยงเพราะงั้นเราจะต้องรีบรับประทานอาหารให้มันทันเวลาอาพอสหรับวันนี้